ังธรรมต้องใจฟังจะบอกความเทศความจริงบอกให้ทมไม่ใช่ให้เอาไปจำไว้ถ้าจำไว้ไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าไปทา การสอนให้ทําน่มันจึงเป็นสอนให้รู้ทาไม่เป็นก็มีโดยเฉพาะเรื่องของกายของใจเรานี่มันมีปัญหาถ้าเราศึกษาก็ได้ปัญญาเรื่องธรรมะคือเรื่องของกายของใจ กายใจเป็นตาลาเรียนให้จบตั้งแต่นุม่มน้อยๆจะได้ใช่ใกายใช่ใจให้สำเร็จประโยชน์คือจุดหมายปลายทางของชีวิตเราจุดหมายปลายทางคือความหมายความยากความง่ายไม่ีค่าอะไรสำหรับเรา ปลายทางคืออะไรต้นทางคืออะไรเราก้าวไปแบบไหนจากกายจากใจมันมีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเบื้องต้นที่จะก้าวไปไปทางไหนออกไปทางไดอย่างที่เรา ได้ยินได้ฟังมามากในขมาอุบายออกออกบวชถือบวชเป็นอุบายบวชคือ <c oughs> <c oughs> เว้นความชั่วไปสู่ความดีความชั่วคืออะไรความชั่วคือมันหลง <c oughs> เป็นอกุศล ดังที่เราสาธายพิสูตร์เตื อ, อยังเพื่อละอกุศลเพื่อป้องกันอกุศลเทียงไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําอย่างไงละอกุศลละอกุศลคือทําอย่างไรอกุศล ค, คือมันหลงมันทุกข์มันโกรธมันโลภมัน พอใจมันไม่พอใจเป็นอกุศลมันอกุศลมันตั้งต้นตรงนี้มันก็ไปไกลเพื่อป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดทำไงคือมีสติให้เป็นเจ้าของเป็นฐานที่ทตั้งไวง้ก่อนแ้าจะเป็นกายเป็นใจ แล้วก็มีสติเป็นเจ้าของดูให้ดูเลยให้มันคุ้มอย่าปล่อยให้มันปลอใจไม่พ่อยใจเป็นทุกข์เป็นทุกเป็นหลงเป็นโกรธเป็นอะไรไปทักท่วงมันมันหลงเป็นต้นทางเห็นความหลงเป็นท่ามกลาง พ้นจาความหลงเป็นที่สุดคือปลายจุดหมายปลายทางนั่นเป็นอย่างนี้อย่างพระเชตฐะมองชีวิตเห็นความเกิดก็ต้องเห็นก็ต้องมีความไม่เกิดเป็นปลายทางเห็นความแก่ก็ต้องมีความไม่แก่เป็นปลายทางเห็นความเจ็บก็มีความไม่เจ็บเป็นจุดหมายปลายทาง เห็นความตายก็มีความไม่ตายไปจุดหมายปลายทางนี่เป็นที่หมายไม่ใช่จะให้ความเก็บเป็นความแก็ให้ความเก็บเป็นความเก็บให้ความตายไปควาตายเก็บพวกความเก็บลายพวกความตายไม่มีค่าอะไร เล่นหลงหลงเป็นหลงไม่ได้ค่าการที่กระโจนไปจากนี้ถลาไปจากนี้เหมือนลองกระโจนข้ามคลองข้ามงูก็ว่าได้มันกระโจนได้ตรงนี้ถ้าถ้าจะดูแล ตายใจความหลงแท้แท้ทำให้ไม่หลงเราจะบอกอย่างนี้ความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงอย่างนี้จะ่ล่องเวลาใดจะพูดที่ไหนก็จะขอพูดอย่างนี้เหมือนกาอยู่ที่ไหนก็ขอล่องไปเสียงกาไม่จะแก่จะเท่าก็ยังล่องไปเสียงกา หลงไม่ถูกต้องไม่หลงถูกต้องหลงไม่เป็นธรรมไม่หลงเป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความทุกข์เป็นธรรมความเกิดไม่เป็นธรรมความไม่เกิดเป็นธรรมความแก่ความตายความเก็บไม่เป็นธรรมเมื่อก่อนเกิดแก่เจ็บตายจึงแก่เป็นธรรมเพื่ออันนี้ชีวิตเรา เพื่อการนี่โดยตรงได้ชีวิตแบบนี้จากรูปจากนามเพราะมันมีควมไม่เที่ยงอยู่ที่รูปควมไม่ใช่ตัวตนอยู่ที่น้ําอยู่ที่รูปที่น้ํานี้ควมเป็นทุกข์อยู่ที่รูปที่นามนี้เราจึงเอาอันนี้เป็ น, เ, ปนเจนฑ์ชี้วัดในการใช้ชีวิต ถ้าเราจะทุกข์เป็นทุกข์ไปใช่ชีวิตชีวิตมันต้องทุกข์กไม่เป็นทุกข์จึงจะเป็นชีวิตโกตรธไม่เป็นความโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธจรึงจะได้ชีวิตชีวิตมันเกิดจากตรงนี้ <c oughs> ไม่ใช่ชีวิตคือได้มาจากแั็งขานร่างกาย ไม่ใช่สังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปอย่ามาใช้มันใช้มันให้มันสำเร็จประโยชน์ชีวิตคือร่างกายรูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปมันหน้าที่มันเป็นอย่างนี้ อันรูปนามนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ตนยากรูกนามนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอย่าเอาทุกข์มาเป็นตัวตนให้เห็นมันทุกข์ก้นจากทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นดะ็ดขาด นั่นคือชีวิตก่อเกิดอยู่ตรงนี้กำเนิดเกิดที่นี่โพทิเกิดอยู่ที่นี่ไม่ใช่เกิดอยู่ที่ไหนเอามาใช้สำหรับประโยชน์ก็เป็นความทุกข์นนแหละคือพระน涅槃ความทุกข์ไม่ทุกข์นั่นนิพพานไปแล้วพ้นไปแล้วก็ไม่เที่ยง ก็เป็นนิพพานเคยมีทุกข no ์เพราะความไม่เท being ี่ยงวันนี้ความไม่เที่ยงเป็นนิพพานเลยไม่มีทุกข์เพราะความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์แต่ก่อนก็เป็นทุกข์วันนี้ความเป็นทุกข์เป็นนิพพานได้เลยเบื่อหน่อยมากเบือหน่อยแต่ความไม่เที่ยงเบื่อหน่อยแต่ความเป็นทุกข์ เหมือนของสกโปกไม่เป็นบริสุทธิ์เป็นภวมจรไม่โสกโปกไม่เปืดอเพื่อนถ้าหลงเป็นหลงเปืดอเพื่อนมากถ้าโกรธเป็นโกรธก็เปื่อเพื่อนถ้าทุกข์เป็นทุกข์เปื่อเพื่อนถ้าเจ็เป็นแจ่ถ้าเจ็บเป็นเจ็บ ถ, ถ้าตายเป็นตายเปือเพื่อนนี่คือไม่เปืดอเพื่อนเรื่องนี้ จุดหมายปลาทางของเราคือเรื่องนี้เรยกว่าพรหมจรรย์เราเราเคเชื่อฟังคำสอนรพระพุทธเจ้าพากันมาปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยจนถึงที่สุดเรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์งคือประกอบไปทำพระวินยัย วิคือวิเศษนัยะนำไปมันหลงเห็นมันหลงค้นจะความหลงนี่คือวิในทรมวิในนำไปสู่จุดหมายปลายทางทรไม่ไหนนี้เป็นองศาธรายังมีอยู่ว่าเวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลง นี่แหละคือศาสาดาเราสัมผัสได้ใ น, ในชีวิตของเรานี่ตราบใดที่มีทำไวในแบบนี้ก็มีศาสนามีมรรคนิพพานอยู่ถ้าเราหลงนั่นแหละเราทุกข์นั่นแหละจะเป็นทางอยู่ที่นั่น มีทุกข์มันจึงเห็นทา ง, ทางเกิดศรัทธาก็มีนะความทุกข์ทำไมชีวิตเราเกิดศรัทธามีเหมือนกันพระละาหาัน <c oughs> บางลูกนด้เป็นพระหันเพราะมีทุกข์อย่างพระยะคุลบุตรหลงออกไป สิปตนามุรุษกษาัยาวันที่นี่วุ่นวาที่นี่ทุกหนอทุกหนอล่องออกไปตอนเช้าตอนนั่นพระองค์กําลังจงกรมอยู่ไปสิปตัตนามุรุษกษัตริย์ตามลาพูดอย่างนั้นพระเจ้าก็ขานแล้วว่าที่นี่ไม่ทุกที่นี่ไม่วุ่นวาย มาที่นี่มาที่นี่เนี่ยทุกพาไปถ้าให้เกิดศรัทธาหาทางออกที่ไหนล่ะที่ไม่มีทางออกเพื่อนมิดอยู่ที่ไหนกันลยาณมิตรที่ใ ด, ด, ด<อ>ก็ไม่จนเดีย๋ยวไปจนกบบ้น อย่าไปจนตอความทุกข์ทำตามความทุกข์ไอ้ความทุกข์พอทําผิดให้ความทุกข์พอเป็นทุกข์สยบอยู่กับมันทําไมเราไม่ทุกข์มันไม่อยู่นี่คือปฏิบัติปัตติคือโต้อตอบทักท้วงไม่ไปกลับมาเอามาตั้งไว้ภาวนาอย่างที่เราสาธทายพระสูปป่รเมืีนี้ จิตจำพระคันิตวิญาปักษนัติเผ่านาปักษนัติาาตาาตอจำไม่ได้อ่านตำราเอามีความเพียรมีภาวนาเผ่านาคือทำย่างง่ายเพียนคือกล้ามันหลงกล้าไม่หลงตร ง, ตรงนี้เรือความเพียรไม่ใช่ค่อยๆเดินย่องย่องย่องย่องความเพียรคือเก่นกล้าทลาไก โจนถึงสุดยอดบางทีนะนี่คือความเพียรถ้าภาวนาะขยันนานขยันอะไรขยันลูกแล้วขยันลูกหรือขยันหลงทีวิธที่ผ่านมาเนี่ยร้องหลงในความลู้มันมากกว่ากันการใช้ชีวิตของเราถ้าขยันหลงก็เสื่อม ขยันลู้ก็เจริญขยันลงหายะได้เสื่อมลงขยันลูกวัฒนะเจริญขึ้นเลื่อนฐานได้ภาวนาคือขยันก้าคนมีความเพียรมีศรัทธาฉันทะวิริยะกลัง กันธะพาพละญาติวิยางพละนาติว่าอย่างไงรหลวงพ่อกลมเสาร์ตยาเป็นส่วนกินีกิตตังประการนาติอะไนี่พระละก็ไปแจ้งตัดชะลู้เรื่องพระละแบบนี้เดี๋ยวโปักเขียธรทำทัทธาพระละสติสมาธิปัญญาเรียวว่า อ, อ, 5, 5, ต อ, อ 8, ิติปัตติสอินสีห้าพละห้าผู้ชงเกตมักมีองแปดชาติปัฏฐานสีเป็นโพธิปักเขีย่ยทำทําให้การตัดโลกเกิดขึ้นดูที่หนอยรําราเลมเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยในรูปในานามเนี่ยนะจ <c oughs> ัตถาพละกิตตพละวิญญาพละชติพละ มันก็รวมกันเป็นพลังเสริมเสริมแรงเข้าไว้มิชัทธาบ้ามิจริงมรรคผลในพันมิจริงบาปบุญมิจริงมิชัทธาถ้ามันเป็นบาปมิสัทธาต่อบุญเคารพบุญวอมหลงไม่ต้องเคารพไม่ต้องทำตามอ่ะ ศรัทธาต่อความไม่หลงพระพเจ้าเคารพอย่างนี้เคารพพระธรรมความหลงไม่เป็นธรรมว่าไม่หลงเป็นธรรมพระพุทธเจ้าจึงเคารพพระธรรมทุกที่ใดไม่มีทุกหรือว่าเคารพพระธรรมไม่จนไม่ควาทุกเป็นความทุกความหลงเป็นความหลงต้องเจอเรื่องนี้ประการแรกละ ไ ป, ไปก้าวให้ได้ถ้าก้ายังมีท่านก้าวจากนี้ไปแล้วก็จะต้องไปถึงที่สุดแล้วเหนือก็เกิด เ, เจ็บตายก็ง่า ย, ายเห็นเน่ยมันทำไมง่ายขึ้นถ้าเป็นสำไ ม, มยะมันหลงเห็นมันหลงง่ายแล้วมันโกรธเห็นมันโกรธง่ายแล้ว ค้นง่ายถ้าหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธทุกข์เทุกข์พ้นยากนะเห็นคืออะไรหรือรู้สึกหรือได้มีสติก็มีฉันมีสัมปชญัญญะมีสติถอนควงมพอใจและคมไม่พอใจในโลกออกเสียได้โลกคืออะไรโลกคือหลองคือโกรธคือรู้คือทุกข์พอใจไม่พอใจ เอาใจไปรับใช้ความพอใจเอาใจไปรับใช้ความไม่พอใจให้ผิดประเภทไม่รู้จักสมมติปัญญาประมตทสัจจะเหมือนกับเราใช้มีดไปฟันดินมันก็มัเสียความเป็นมีดใจจิตใจไปทําให้มันเสื่อมปเปื้อนหมดเลยจิตใจเขาเป็นปกติมาแต่เดิมเหมือนผ้าเขาสอาด แต่เมื่อลงมาใช่ไม่เป็นเปื้อนม่หมดเลยเมื่อเก่าๆหายหมดเลยแต่มันก็ซักได้นะค่อยๆซักไปใช่ให้เป็นมันจะไม่เสียความเป็นกิดพระพุทธเจ้าว่าจิตบริสุทธิ์ผองใสเมือเดิมจิติตทั้งโานี้ โริสุทธิ์ของใสมาจะเดิมแต่ใช่ไม่เป็นสิ่งที่มาจรมาทำให้เศร้าหมองคว้มหลงมาทีหลังคว้มโกรธมาทีหลังคผ ม, มทุกมาทีหลังถ้าหลงเป็หลงใช่ไม่เป็นเราไปใช้ผ้าให้เปิดเพื่อนเลาถ้าปพัพจะไม่ตังพิกเวกิตตัง ตัณฑโขขขันตุเกหิอุปจิเลใช้วิถึงพิกษุต้องร้อยเราก็ว่าจิตของเราหนีประพัดสอนฟังสยอยู่แต่เดิมแต่อุปจิเลมัรจรมาทำให้เศร้าหมองเหมือนขันตุ ก, กะเหมือนชะลาหลังนี้จิตเหมือนชะลาหลังนี้อะไรมาพักชะลาหลังนี้มันก็ไม่ว่าศาลาไม่ว่าอะไร แต่สิ่งที่มาพักน่มันทำอะไรให้เสลาถ้าพวกลงมาอยู่พระสงฆ์ย่าโยมวาศุวาชิกามาอยู่สลาหลังนี้ก็สะอาดเรียบร้อยใช่ได้ได้อมจะนั่งสะดวกใช่ได้ถ้าหมูมหมางูโจรผู้ร้ายมาเสียหายหมดอยู่นี่ก็มีของเสียอยู่ร่อย เครื่องขยายเครื่องขยายเครื่องเสียงเท อ, อันอมพิเตอร์ก็ยังเสียเจนทำเป็นอันตุ่หมูโูชาพระประธานต้องอาจารย์ต้นต้องทำเป็นลูกกลง อ, อักเล็กก็้ค่อยอยู่มาอยู่มาวนนี้มันก็อยู่ได้เท่าไรของแกนตุ้ยนี่นเดยกก็เสียละ มันมีให้ตัวเราก็มีคมชั่วความดีคนดีคนชั่วมีทั่วไปวิธีป้องกันคนชั่วเบราสาทั้งโลกมีตัวประกฏหมายจับติดคุกติดตารางต้องโทษตองโทษนะโทษสาโดโทษนั่นก็เป็นอันหนึ่งบทนี้ ไม่หลักทานี่แม่เราจะฆ่าคนชั่วให้ตายมันก็ไม่ทูกหวโมชั่วขอวมทุกข์ที่คนทำผิดพลาดมันเกิดที่โวมหลงนี่เองต้นเหตุมันมันจึงทำชั่วผู้ชั่วชิชั่วมันได้หลักมันได้เีนฑชี้วัดแบบนี้จริงๆนะหลักพระธรรมนี่ เอาละถ้อมันหลงนะ่ก็ต้องรู้นโกรธก็ต้องรู้มันทุกข์ก็รู้มันมันต้องเป็นจุดนี้แน่นอนเปลี่ยนอกุศลเป็นกุศลได้ด้วยฝีมือด้วยการทำของเราจริงจริงมันทำได้จริงจริงนะไม่ต้องไปฆ่ากันคนไหนชั่วให้ ه, ใส่ใจให้คิดช่วยคนชั่วให้เป็นคนดีช่วยเราดวงดวงเช มันมีฝีมือตรงนี้จริงๆนะมันหลงเวียนหลงไปไม่หลงนี่บยมันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นการกระทําที่ชอบสัมมารกรรมมันโตเว้เนการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาชีวะสัมมาชีวะเว้นการพูดจาชอบสัมมาวาจา เว็นความตั้งใตชอบสัมมาถสมาธิเป็นการตั้งใจชอบสัมมาสมาธิจบปล่อ ย, อยมันมีตรงนี้แน่นอนเปลี่ยนอกุศลเป็นกุศลได้นี่มันแต่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการหลงเวลาใดลู้เวลานั้นนี่งานของเราลองใส่ใจดูรีบบ่วนจกหน่อยตรงดูไม่เหนื่อนะ มันก็มีเรื่องเดียวนี่มีหลงทอนเนี่ยมีลูกคู่กันไปให้มันหลงสั ก, กสองรอสามรอมันจะอ่อนแรงลงทั้งทีนหลงเป็นลูกนะเหมือนซักสะพานเงินไม่ให้อาหารมันแล้วก็เหี่แห้งได้บางทีเมื่อมันหแห้งก็อาจจะหลนไปหลายอย่าง นางทีก็มันแห้งติดตายไปเลยเหมือนบกเขียบหลอดรู้จักบกเขียบหลอดบป่าหงพ่อกลมแห้งติดตัวไปเลยติดต้นไปเลยไม่มีประโยชน์เลยลอต้นก็ไป่ได้ฉูนเฉียวอะไรพลังงานไมาฉูนเฉียวเป็นความ สมดุลของชีวิตทบวงจรไปเลยนะดีดีนะเริ่มข้าวตรงนี้หลงที่ใดรู้มันที่ใดรู้โกที่ใดรู้ปลยได้ลไดลไเล ย, เลยกุศลมูนเมื่อไม่หลงกวกุศลอื่นเที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นจนเป็นมรรคเป็นผลนนะกุศลนะอกุศลเมื่ออกุศลเกิดขึ้นแล้วอกุศลหน่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอีกที่เกิดขึ้นก็เจริญมากขึ้นจนไปสู่อาบายทําดีได้ยากทําชั่วได้ง่ายเดียวอบายเป็นชีวิตไม่เจริญ นี่คือกุศลเรากุศลเราเห็นจริงๆเรื่องนี้นะมื่เราเห็นงูเพราะเห็นงูเป็นไหละมีตาตามีจึงเห็นงูตาเราเห็นบ่อยๆก็คมรู้ออกงูพิษเป็นลักษณะอย่างไรต้นไม้ที่เราลู่เรื่องสมนุนไพรเราดูออก ต้นนี่มีต้นอะไรมีคนประโยชน์อย่างไรดูออกถ้าหัดดูหัดเห็นนะอย่างเราสอนคนให้ดูต้นสมุนไพรนี่คือวัวเถลงิงนี่คือโคคารนี่คือพญาลากดำเป็นคนที่ดูใหม่ก็เหมือนกันหมด ผมก็ดูม <tuo> ัน <mittlerweile> ก Man <rire> <the first time> ็เหมือนกันหมดใบนี้ก็เหมือนกันหมดใบนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันมันเป็นลักษณะบอกอยูก่อนจุกเสที่มีทวงต่อภายในมันคมนะถ้าเป็นความหลงนิดหน่อยไมยเป็นไปไม่ได้จะให้มันเป็นิงเฉียงเปื่อนถ้ามีความทุกข์นิดหน่อยเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปผู้ความเดอดรุ่นทุกเป็นไปผู้ความสงบเป็นไปสพมุดจริงจริงปฏิบัติธรรมมันเป็นโกเป็นกรรมจริงจริงเป็นปฏิจจตังจริงจริงนะในลานี้เรามีสติกำหนดกอยคู่แขนเข้าผู้สึกก็รู้เดี๋ยวนี้ะวินาทีนี้ เี่เฉืนออรู้สึกวินาทีนี้ไม่ต้องรอแม้แต่เสี้ยววินาทีตอมนมาเดี๋ยวยังรอนะอกข้าวก็เสียงแล้วปีนี้เสียหายน้ำท่วม้านาเศร้าหามองมากาเออหลกก็เสียหายเพราะอะไรมันมี มีเสี่ยงต้องมาอื่นแต่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่เสี่ยงอะไรเลยทันทีถึงอกถึงใจเป็นมนุษย์สมบัติ <c oughs> ของเราจริงๆเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติของเราจริงๆนะั่นนะถ้าหากว่ามีรูปปีนามมีความหลงมีความโลภเป็นอะไรและหนโูโพธิอย่าไป มีปมด้อยเด็ดขาดอย่าว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนหนุ่มคนแก่เพศวัยลัทธินี่ายไม่เกี่ยวเลยกรมหลงก็เหมือนกันหมดผมไม่หลงเหมือนกันหมดชิทธิล่อลเฉยเฉเรื่องนี่นหะให้ขอพูดเรื่องนี้เถอะอีกไม่นานคงไม่มีเสียงพูดเรื่องนี้แล้วเพราะนั่นยังไม่อิ่มเลยเนี่ไม่รู้จะแก้เรื่องเนี้นะ ร่วมรู้สึกตัวไม่แก่ไม่เป็ น, ปนความไม่เป็นอะไรแก่มไม่เป็นแต่ค้ามเป็นอะไรแข่เจ็บตายจริงๆเราโกรธเท่าไหร่เราทุกข์เท่าไหร่เราหลงเท่าไหร่เราพอใจแล้วไม่พอใจมันตายไปเท่าไหร่กีพบพีชาติเราตายในความหลงเกิดในความหลงเราเจ็บหายขนาดไหนตายในความทุกข์กดในความทุกข์มันเป็นทุตขเป็นทุกข์อย่างไร เราจะต้องไม่รับใช้มัน <c oughs> <c oughs> เนี่ยเราไม่ยอมที่เกิดเ จ, จ็บเจบตายไปกับความหลงความโกรธความรักความชังเราจะเป็นมอตะฐานมิตรภาพชีวิตของเราเรียบประเดี๋ยวล่ะไม่มีขึ้นชีวิตที่ไม่มีขึ้นมันหลงเห็นมันหลงไม่หลงเรียบ มันโกรธแทนนโกรธไม่เป็นผู้โกรธเลียบที่สุดเลยอ <c oughs> นะถ้าเลียบอย่างนี้่ทุกคนมาเลียบอย่างนี้แล้วก็จัดจลาพระษีอริเบตัเยเกิดขึ้นมามเราจะได้พบจะเป็นคนคนเดียวกันทั้งแผ่นดิ น, ดนทั้งโลกเลยทีเดียวนี่คือหลักของธรรมะคำสอนของพร <สา S 1> ะจัดา <c oughs> ตัวในชีวิตเราเนี่ยเนาะอ๋ะอแออฮอเป็นบักกั น, นใช่ไหมแล้พก็กลมแอลกออล์เป็นบักกัน น, นะขอะพูดอย่นี้วันก็คนจีนก็มาถ้ากระถิ่นที่วัดภูขอทองตื้อจดหมาย มาจากประเทศจีนว่าเวลานี้ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมประเทศจีนได้นำวิธีปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเทีย น, ยนได้ประโยชน์มากจึงขอให้ไปสอนอีกเดือนมกราหลวงพ่อจะไปไล้ไหม้วขอลาเขาสองสามรอบแล้ว ก็เลยถามเขาว่านี่เขาแค่นี้แหละจะไปได้ไหมจะไปได้ไหมแต่ว่ามีอาจารย์เหมาะที่จะไปสายต่างประเทศคืออาจารย์โนดอาจารย์โนตก็ไปแล้วเป็นยังไงแล้วก็ยกโป้เลยดีงั้นแหละถ้าพอให้หลงตาลา พักผ่อนสักหน่อยก็ดีนะจะนดเห็นว่าใช่ได้กออ็อันแหละใช่ได้ไหมจะนดสามเที่ยวเราที่หลงพ<ว>่อไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ยกโป้อ่ะเออ<ว>ใช่ได้แล้วเนี่ยยังมีพระอยู่ที่นี่กหลารรูปเนาะเหมาะที่จะต้องไปสายต่างประเทศได้อ <c oughs> ันยิงนะ อ๋อถ้าตายเรื่องนี้มันนานหรือเกินอันพิสุดล่องดอูเป็นมิเป็นเพื่อนแล้วก็มีมีมิตรปิสหายสายชีวิตอยู่นี่ตลอดทั้งแม่ชียาโยมภายในวัดยาโจมทุกคนหลงตาเขามีสวนร่วมในการนี้ 100% ถ้าใครหลงอยากจะบอกตะโกนใช่ไหมไม่หลงก็มีนะถ้าใครทุกข์ไม่ทุกข์ก็มีนะนี่ไม่เป็นหามก็มีปัญญานะแต่ก้าไปไปนี่แนละ้วเร่ต้นก็เปลี่ยนหลงไปไม่หลงมันต้องมีแน่นอนเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นเป็นเรื่อยเห็นวันหลงข้ามได้ง่ายเหมือนเหลือเทียบท่า เหมือนทางขึ้นเขามันลาดขึ้นมาได้ตอนมันจะลาดก็ต้องเห็นถ้าเห็นแล้วว่าลาดลงแล้วถ้าเป็นระชันหน้าผาเหมือนฝั่งทะเลไม่มีท่าท่าเทียบเรือไม่มีขึ้นฝั่งได้ยากถ้าเห็นแล้วขึ้นก้าวขึ้นก็มไม่เป็นง่ายมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุก มันเกิดเห็นมันเกิดไม่เป็นผู้เกิดมันแก่มันเก็บมันตายเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายง่ายๆอยากจะยิ้มตรงนั้นอยากจะยิ้มตรงนั้นมันชดชื่นที่สุดเพราะตัวเองเคยตายมาแล้วเตือนมาแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะความแก่ความเก็บความตายมันพุ่นได้แน่นอนในศาสนาพระธรรมวินัยนี่ นำมาปฏิบัติในชีวิตเรานี่นะย่ร อ, อย่าให้พลาดจะไปใช้อื่นให้มากเกินไปเอาอันนี้ไว้ก่อนแล้วไปเถอะบ้านเนี่ยเหมาะแต่การงานทุกอย่างไปช่วยกันแต่ของส่งตะเกียงเลี้ยงคนทั้งโลกให้มีแต่การช่วยกันยิ่งพวกเราเป็นสังคมเป็นผัวเป็นมเมียมีลูกมีหลานมีครอบครัวยิ่งดีใหญ่จะได้แจกของส่งตะเกียงให้กันเอง เห็นทิศเห็นทางช่วยกันเป็นงานบุญแท้ๆสอนคนทุกไม่ทุกเน่เป็นกุศลแท้ๆอนคนแท้หลงไม่ลงเน่ยเป็นกุศลเป็นความเฉลียวฉลาดไม่ถือว่าหน้าที่ของเราทุกท่ันไม่สภาพเช่นนี้ไม่มีเพราะหนุ่มวัยสาวเหมือนกันหมด คนหลงคนแก่หลงก็เหมือนกันคนหนุ่มหลงก็เหมือนกันโกรธเหมือนกันไม่โกรธก็เหมือนกันหมดหมดเอาความแก่ควา ม, วามอะไรมาอ้างกันอ่าก็สมควรใจเวลาต่อไปพวกเรากราบพระร้อมกัน